ของประสริในโลกคือจิตยพยายามรักษาบำรุงรักษาจิตให้ดีอย่าให้สิ่งที่เป็นไทยเข้ามารังควานหรื อ, อยุ่ยแย่ก่อควรพวกจำพวกนี้มีแต่จำพวกทำให้ขุนโมวให้เดือดร้อน ผลแห่งความคุณมมวลเดือดร้อนมันก็คือทุกข์ น, นั่นแหละการสร้างความดีเป็นเหมือนกับปุ๋ยสาหรับหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้มีความชุ่มเทเป็นศพคู่มิตรของใจจริงๆก็คือความดีหรือเรียกว่าบุญ คนไม่มีบุญหาความสุขไม่ได้คนไม่มีบุญเพราะไม่สร้างความดีการสร้างความดีก็คือการสร้างความสุขให้ตนเองความสุขไม่มีที่อยู่ไม่มีที่สถิตว่าจะอยู่ในสถานที่ใดแต่อยู่กับใจของผู้บำเพ็ญ น, นี้เท่านั้น ไม่มีผู้อื่นใดที่จะมาแย่งเอาไปได้สร้างไว้เท่าไรก็เป็นของคนนั้นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลถึงผู้ใดก็ตามไม่ยังกองบุญกองกุศลที่ตนสร้างไว้แล้วนี้ให้บกพร่องลงไปแม้แต่น้อยนอกจากจะเป็นการเพิ่มภูมิความดี ที่เกิดขึ้นจากการแผ่ส่วนกุศลนั้นเข้าไปอีกเท่านั้นถ้าจะเทียบก็เหมือน ก, นกันกับครูอาจารย์ที่ขํามสอนนักเลือนหรือนักศึกษายิ่งสอนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความแตกฐานฉลาดในเชิงการสอนต่างๆมากขึ้นเท่านั้นไม่มีความเปนกรอกเป็นมงุงว่าความรู้นี้ได้ให้ลูกศิษทั้งหลายไปแล้วตน ไม่มีความรู้เหลืออยู่เลย อ, อย่างนี้ไม่มีสอนมากเท่าไหร่ยิ่งมีความเฉลียวฉลาดแตกสามในการสอนแตกแขนงออกไปเป็ น, นลำดับลำดาอันนี้การแถ่ส่วนกุศลให้ผู้ใดก็ตามตลอดทั้งโลกกระฐานจากการบาเพ็ญของเราจรึงไม่ทำ ความดีของเราที่ได้ทำมาแล้วนี้ให้บกพร่องหรือหายสูญไปเพราะการเฉลีย่ยตัวแพรให้แจกสัดโลก้วยกันนั้นเลยแต่เป็นการเพิ่มพูณขึ้นในตัวอีกโดยลาดับเช่นเดียวกับครูอาจารย์สอนบรรดาเรืมีความเฉลี่ยสลับขึ้นไปโดยลาดับเช่นนั้นนักปราชทั้งหลายตั้งแต่ครั้งไหนไหนมา ท่านทรงเชิญชนะเสริญนนะักในการสร้างความดีอันเป็นบอกเปิดแห่งความสุขเพราะสัตว์โลกนี้มีความหวังสุขด้วยกันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ดิเรกชานหรือมนุษย์เทวดาอินพรหมที่ไหนมีความต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้นเว้นพระกีลาศก ผู้สิสิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงแล้วนั้นท่านหมดความต้องการเพราะท่านถึงความสมบูรณ์แห่งความป่าเถนาแล้วท่านกินไม่มีความหิหวโหยแม้นิดหนึ่งพอที่จะสาะแสวงหาบุญกุศลใดๆมาเพิ่มเติมจิตใจของท่านมีพระอรหันต์หรือท่านผู้่สิ้นกิเลสจำพวกเดียวเท่านั้น เป็นผู้ไม่ต้องการอะไรทั้งสิ่งนอกจากนั้นแล้วความสุขเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการด้วยกันไม่ว่าสมัยใดใดและยังจะมีต่อไปข้างหน้าตลอดอนันตกาลไม่มีสิ้นสุดเมื่อสัตว์โลกยัง ม, มีอยู่ในโลกตราบใดความสุขจะเป็นที่พึงหวังของสัตว์โลกตลอดไปเช่นนั้นแต่การที่จะให้เกิดความสุข ขึ้นมานั้นต้องอาศัยการกระทาในทางที่ถูกต้องดีงามหรือว่าเราสร้างคุณสมสร้างบุญบุญย่อมเป็นผลอันเกิดขึ้นจากการสร้างความดีนั้นๆเพิ่มภูลตัวเองเข้าสู่จิตใจโดยลำดับจิตใจที่มีบุญไปสถ า, านที่ใดเกิดในภพใดแดนใดย่อมไม่จนเกาะกจนมง เพราะบุญนี่แหละเป็นสิ่งที่ให้ความไว้วางใจแก่ผู้บำเพ็ญได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีข้อสงสัยแม้แต่น้อยสิ่งอื่นๆเราอาศัยตามการตามเวลาตามความจำเป็นที่จะพึงอาศัยกันได้เท่านั้นโลกทั้งโลกไม่มีปัจจัยเครื่องอาศัยก็เป็นโลกไปไม่ได้เป็นเราเป็นท่านไปไม่ได้ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นความจําเป็นที่เราจะพึุงอาศัยในเวลาเรายังอยู่ในโลกนั้นๆแต่เมื่อถึงวาระจาเป็นที่เราจะอาศัยสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะสนองตอบแทนความต้องการของเราได้เช่นเดียวกันมีสิ่งเดียวคือบุญที่จะตามส่งตามเสื้ยตามสนับสนุนเราทุกภพทุกชาต หมายว่าพบไหนไหนมีบุญกุศลเท่านั้นเป็นเพื่อนที่ตายใจได้ที่สุดฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงชมเชยท่านจึงสัง่งสอนให้อบรมคุณงามความดีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่จิตใจตลอดไปความเป็นสิริจากมงคลจากความดีที่ตนสร้างไวน้นี้เป็นความสิริมงคลที่นิ่มนวลที่สุดอยู่กับใจ เป็นอุปนิสัยไปนในตัวด้วยเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจไปโดยลาดับทุกพบทุกชาจนกว่าจะเต็มภูมิเมื่อไรบุญกุศลนี้ก็ส่งถึงให้ถึงภูมิที่ถึงปาถนาแล้วคำว่าบุญกุศลนี้ก็หมดปัญหาไปเพราะถึงที่หมายแล้วเช่นเดียวกับเรามาจากบ้านของเรามาสู่สถานที่นี้ เมื่อเข้าถึงสถานที่นี้แล้วทางที่เราอาศัยมานั้นก็หมดปัญหาไปกับเราหรือเหมือน ก, นกันกับเราขึ้นบนบ้านบันไดเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเดินอาศัยเดินขึ้นไปจนกระทั่งถึงติดที่หมายบันไดกับเราก็หมดความหมายกันไปในขณะที่เราถึงที่หมายนั้นเรื่องบุญเรื่องกุศล ที่เราสร้างมากน้อยก็เพื่อจะสนับสนุนเราให้ไปถึงสถานที่ดีคติที่พึงปรารถนาเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วบุญกุศลก็หมดปัญหาไปกับเราเช่นเดียวกันกับบันไดรู้หันทางหมดปัญหาจากตัวของเราขณะที่ถึงที่ถึงที่หมายแล้วนี่กล่าวตรงนี้หมายถึงใจ ใดที่จะเสวยบุญเสวยกรรมเหมือนอย่างโลกทั้งหลายเสวยกันนั้นไม่มีในพระกินาศท่านแต่วิบากของท่านยังมีอยู่กราบใดบุญนันต้องตามสนับสนุนไปตามวิบากเช่นเดียวกับที่ท่านกล่าวไว้ในเรื่องสาวกของพระพุทธเจา้าเช่นพระศีวลีเป็นต้นพระศีวลีนี้ตั้งแต่ครั้งก่อนๆมา เป็นนิสัยชอบทําบุญให้ทานที่สุดแต่เพราะอย่างยิ่งการทําทานไม่มีอัดอัน้นขอแต่มีเจ้าของจะได้รับทานมากน้อยไม่สู้เป็นปัญหาอะไรยิ่งกว่าการทําทานขอให้ได้ทําบุญทาทานแล้วเป็นที่พอใจร่างกายจะบกบางบางั่งจิตใจมีความเอิมอิ่มเยอะมีความอิ่มเอิมอ่อนมีความเอิอบ อ, อ, อิ่มด้วย บุญด้วยกุศลแล้วเป็นที่พอใจจนกลายเป็นนิสัยอย่างนั้นมาโดยลำดับลำดับถึงกับขั้นแจกกล้าสามารถเพราะอำนาจแห่งการสร้างกุศลมีการให้ทานเป็นต้นนีืแล้วได้มาบรรลุธรรมถึงขั้นพระรหัสผลเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งส่วนจิตของท่านที่เคยเอาศัยบุญกุศลทั้งหลายมานั้น เมื่อจิตได้ถึงที่หมายแล้วบุญกุศลก็หมดความหมายไปสำหรับจิตแต่วิบากกคขันของท่านที่ยังครองตัวอยู่ท่านไปสถานที่ใดๆก็ตามจะมีแต่เครื่องสักการ บ, บูชาดาดาดไปหมดส่องผ้าทางท่านไปสู่ทิศใดก็ตามเป็นเช่นนั้นตลอดกระทั่งถึงวันท่านนิพพานอันนี้จึงมีนิทานอันหนึ่งที่ประกอบกับท่าน เวลานั้นพระพุทธเจ้าจ ะ, ะเสด็จไปเยี่ยมพระเลวตะซึ่งเป็นน้องชายของพระสารีบุตรอักขเสวคข้างขวาท่านอยู่ในป่าเป็นที่สงบสงัดมากแล้ตามปกติก็ได้ทราบว่าท่านใ้เอตหละคะในทางความชอบสงบสงัดมากมาแต่ไหนแต่ไรพระพุทธเจ้า องปารากับพระอาุนว่าเราจะไปเยี่ยมพระเลวตะซึ่งพักอยู่ในป่าเป็นทางกันดาลเราจะไปด้วยวิธีใดถึงจะไม่การอาหารมินมสมบัติมัจะพอเป็นไปสำหรับพระสงฆ์ที่ไปด้วยกันนี่เป็น ความเฉลียวฉลาดของพระพุทธเจ้าอันหนึ่งก็ถูกอันเป็นการจับประกาศคุณสมบัติของพระศีวลีขึ้นมาว่าเราต้องเอาพระศีวลีไปด้วยถ้าพระศีวลีไปด้วยแล้วไปที่ไหนถึงไหนถึงกันเรื่องเครื่องสักการะบูชาตัจจัยทั้งสี่นี้ไม่มีอาจมีอัน้นถ้าพระศวลีไปด้วยแล้ว เอาพระศิวลีไปจริงๆไปก็เป็นอย่างที่ว่าอาหารปัจจัยเต็มไปหมดสองฝ้ากทางเพราะอำนาจแห่งอุญญาบารมีของพระศิวลีที่เรียกว่าวิบากตามสนองทางธาตุทางขันแม้จิตใจท่านจะพอแล้วในทำทั้งหลายก็ตามแต่ฝ่ายวิบากซึ่งควรจะทำเหล่านี้อยู่ก็ย่อม สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปทีนี้พอไปถึงสำนักของพระเลวะตะพระเลวะตะท่านมีวิชาสักดาในภาพอีกทางหนึ่งเหมือนกันสามารถที่จะมีเมิเนือมิตรกุติยิหารอะไรต่ออะไรให้เหมาะสมกับพระพุทธเจ้าที่จะเสด็จไปโปรดหรือเสด็จไปเยี่ยมก็มีพระไปด้วยกันมากมาย ก, กายคลองเพราะพระพุทธเจ้าเสด็จ เี น, นี้พอไปถึงสถานที่ที่พ่อเลวตะพังอยู่ตามความคาดหมายของคนทั่วๆไปคิดว่าจะมีแต่ป่าแต่รกทั้งหมดแม้จะหาทางย่องเดินไปกุติท่านก็จะเป็นไปไม่ได้เพราะความรกรุงลังของต้นไม้ในป่าเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงจริงกลับเป็นคนะโลกสถานที่นั่นเลยเป็นสถานที่ เต็มไปด้วยสิ่งนิระมิตกุติก็ทันสมยัยอะไรๆเหมาะสมหมดทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งพระถวตาองค์หนึ่งกดกั้นไว้ไม่ได้อาจจะเป็นนิสัยที่เคยยกโทษใครๆมาเป็นนิสัยของสนก็ได้พอไปเห็นสถานที่พระถววดรีก็พระเรวตะซึ่งหรูหรา ดยสถานที่ที่ต้อนนับพระพุทธเจ้าก็ยกโทษขึ้นเอนี่พ ร, ระฤๅวัตต์ว่าเป็นผู้ทอบอยู่ในป่าในเขาทอบอยู่ในที่สงบสงัดไม่ก่อสร้างอะไรแต่อะไรแล้วทําไมมาสู่สถานที่นี้แม้วัดคือไม่ได้ชมเชยฉนาดเถื่อ น, นว่าเป็นวัดป่าเป็นวัดที่เต็มไปด้วยการก่อสร้างก็ยังสู้วัดนี้ที่ไม่ได้ก่อสร้างไม่ได้ เต็มไปด้วยด้านวัตถุกุตติหารเต็มไปหมดทำไมพระสิวลีจึงมาทำอย่างนี้วะท่านนี้พอไปเยี่ยมโอ้พระเรวตะจึงทาอย่างนี้ท่า น, นพอไปเยี่ยมกลับมาก็บันดลบันดาลอาจจะเป็นพระเรวตะบันดาลก็ได้เพราะท่านมีฤทธิ์ท่านรู้กระทั่ง่วงใจของคนอื่น พอพ้นจากเสร็จวัดมาแล้วบันดอนบรรดาให้ขัวตาของนั้นลืมธรรมกรกที่กรองน้ําวิ่งกลับคืนไปพอวิ่งกลับคืนไปทีนี้ไอกุติชาลาไอที่เป็นที่ตอนนับทั้งหมดนั้นหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ป่าแต่รกจนกระทั่งขัวตานั้นย่องเข้าไปก็จะไม่ได้คืบคลานเข้าไปแล้วไปถามถึงเรื่องธรรม ก็ของผมที่ลืมอยู่ตรงตรงนี้หรือตรงไหนไม่รู้มันจำไม่ได้แล้วแหละที่นี่มันเหมือนกับดงเป็ดดงผีว่างั้นเีงแหละก็ะยกโทษขอีกแง่นึงทางพระศรีวัดีก็บอกว่าโน่นหน้าชี้ขึ้นข้างบนนั่นทํามากบของท่านแผลนึดที่ตายต้นไม้โนนห่นทําไมมันเป็นแผลนึดที่โน่นะก็ไม่ทราบเพราะที่นี่เป็นวัดป่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นกันว่าเนยเลยไปเหนียวเอานั้นลงมากว่าจะได้ก็แทบเป็นแทบตาย ให้กลับออกไปยี่พระวัดพระศรวลีเหมือนกระดงเตจดงผีเอาอยละทียกโทษขึ้นไปแง่หนึ่งอยู่แล้วให้พอไปถึงบ้านนางวิสาขานางวิสาขาก็ต้มข้าวต้มใช้ใส่นะที่เรียวข้าวยาคูถวายพระให้ดื่มข้าวยาคูแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงไปเยี่ยมอพระพู้เป็นเจ้ า, เ, าเรวตัตสถานที่ของท่านที่อยูทอย่ที่พระเกล้าใส่เป็นยังไง พระองค์ใดก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอุย้ยสวัสดิเสยสวยงามทุกสิ่งทุกอย่างทางจงคมที่พักภาวนามีอยู่ทุกแง่ทุกมุมเป็นไปด้วยความสะดวกทั้งนั้นทางขัวต า, านี้ก็อดกัน้นไว้ไม่ได้มันสะดวกสบายจะตายหายยังไงมันเหมือนกับดงผีนี่หว่าลืมตมะ ก, กก็ไปจะได้ขึ้นต้นไม้เหี้ยวเอาโน่นอะว่างัน นี่เราพูดมาเป็นเครื่องสาทกเกีเ่ยวกับเรื่องพระสีวลยที่ท่านเป็นผู้มีลาภมากอตเเลกาลาบนั้นไม่มีใครเสมอเว้นพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงได้เอตตะคะทางมีอตเเลกาลาบมากพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์หนึ่งแต่เหตุใดจึงยกพระศรีวลีขึ้นมาในเวลาจะเดินทางก็เพราะพระองค์ท่านไม่เคยตําหนิสาวกที่เป็นพระหรหันแล้ว นอกจากเชิดชูยกทรงยกย่องชมเชยสรรเสรเท่านั้นท่านจึงชมเชยพระศิวดีและจะยกคุณพระศิวดีให้บรรดาถ้าสงทั้งหลายได้เห็นว่าท่านมีอริเลการามากนั้นจริงไหมจึงได้ให้พระศิวดีไปด้วยอันนี้เรียกว่าวิบาก ค, คือผลแห่งกรรมดีที่เคยทำไว้แล้ว มากน้อยจะตามสนองจนกระทั่งวาระสุดท้ายแห่งชีวิตได้สิ้นสุดไปผลคือวิบากหรือผลอันนี้จึงจะยุติเพียงเท่านั้นนี่เกี่ยวกับวิบากถ้าหากว่าใจยังต้องพึ่งอันนี้อยู่บุญอันนี้ก็ถึงใจแต่เมื่อใจพอแล้วกับ บุญกุศลทั้งหลายเป็นธรรมชาติตายตัวหรือว่าบชุบบุญเต็มที่แล้วบุญกุศลเหล่านี้ก็เป็นวิบากคือเป็นผลตามวิบากประหารจนถึงวาราสุดท้ายนี่แหละคําว่าบุญเป็นนักปราชญ์ทั้งหลายแสดงเอาไว้คําว่านักปราชญ์ในสถานที่นี้หมายถึงพระพุทธเจ้า แต่รับพระองค์พระองค์และพระสงฆ์สาวกอรหรันท่านแสดงไว้เป็ น, นลาดับลดัให้พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของท่านคุณงามความดีที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆเป็นสมบัติของเราการสร้างคุณงามความดีไว้ในใจนี้จึงเป็นเหมือนกับสร้างถานนหนทางอันราบเรื่นดีงามหรือสร้างสมบัติ ต่างๆสาราพัดนึกไว้ภ า, ายในจิตใจของตนที่จะไปปรากฏในอนาคตการข้างหน้าไม่ได้ปรากฏจากไหนไม่ได้ปรากฏจากผู้ใดเป็นผู้ทาปรากฏจากเราเป็นผู้ทาแล้วกับแสดงผลขึ้นมาอย่างนั้นดังนั้นเราจะจำได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญกับผลที่เราได้เคยทำมแล้วตั้งแต่ต้นเหตุ จะพึงเป็นของเราโดยไถ่เดียวไม่สำคัญดยูที่จาได้หรือไม่ได้อันนั้นเป็นความจำต่างหากความจริงคือเราได้ทำไว้แล้วมากน้อยเราจึงไม่วิตกวิจาร์กับการกุศลที่เราได้สร้างไว้มากน้อยเพียงใด ป, ปีใดเดือนใดตั้งแต่พบใดชาติใดกลัวบุญกุศลนั่นจะเสื่อมสูญหรือสูญหายไปเสียเพราะความจาหลงหลืมอย่างนี้ไม่มี เป็นความจริงฝังอยู่ภาณในจิตใจใจนี้เท่านั้นเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งกับคุ ง, งามความดีทั้งหลายคือบุญจะไปที่ไหนก็มีภาชนะอันนี้และภาชนะนี้แลเป็นผู้เสวยเพราะผู้นี้เป็นผู้ทรรมจึงต้องเข้ามาที่นี่ไม่มีที่อื่นใดจะเป็นที่เก็บบุญเก็บกุศลไว้ได้เหมือนอย่างใจใจจริงเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่ง อยู่ตลอดการท่านจึงสั่งสอนให้อบรมจิตใจให้มีความชุ่มชื่นเบิกบานด้วยศีลด้วยธรรมส่วนภายนอกเราก็อาศัยเพราะมีร่างกายประตูปัจจัยต่างๆเป็นเครื่องสนับสนุนร่างกายให้มีความเป็นอยู่ส่วนจิตใจก็ให้มีคุณงามความดีเป็นเครื่องเป็นที่เสวย เราจะไม่จนทั้งภายนอกไม่จนทั้งภายในไม่จนทั้งอยู่ในโลกนี้ไม่จนทั้งจะไปโลกหน้าเพราะเราได้สร้างไว้แล้วทั้งสมบัติภายนอกสมบัติภายในซึ่งเป็นสมบัติของใจอันเดียวกันแต่สมบัติเพื่ออนาคตนับแต่ปัจจุบันไปถึงอนาคตนั้นได้แต่บุญที่จะทําจิตใจให้มีความยินมแย้มแจ่มใสมีความผ่องใสจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธ ส่วนร่างกายนี้ก็อาศัยเข้าน้ําโภชนาะอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเป็นธรรมดาเมื่อถึงการแล้วก็ร่างกายก็สลายตัวลงไปสิ่ง น, นั้นก็หมดความหมายส่วนบุญส่วนกุศลกับใจไม่มีทางที่จะหมดความหมายติดตามกันไปเรื่อยๆช้ายาเอวเหมือนกับเงาเทียมตัวแต่เงานั้นจะปรากฏในที่แจ้งเท่านั้นเข้าสู่ที่มืดแล้วเงาไม่ปรากฏสําหรับบุญกุศลนั้นไม่ว่าสถ า, านการใด ย่อมมีอยู่กับปิดตลอดการจึงเรียกว่าอนันตาการหาสถานที่การเวลาไม่ได้ที่บุญกุศลซึ่งผู้นั้นสร้างไว้แล้วจะพัดคลากจากผู้นั้นไปฉะนั้นเราทั้งหลายที่อุตส่าห์บุกบือนมาจากที่ไกลพอดีที่ไกลก็ดีเพื่อสร้างคุณงามความดีจึงเป็นวิถีทางเดินที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านในพาดําเนินมาแล้วจนถึงความแค็งแกร่งปลอดภัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจะนนี้จากทางสายนี้ไปไม่ได้ การที่เราดำเนินตามพระพุทธเจ้าเพื่อการสร้างคุณงามความดีนี้จึงเป็นเหมือนกับตามเสด็จ ก, กระอบไม่วันใดวันหนึ่งต้องถึงจุดหมายปลายทางตามพระองค์ท่านอย่างแน่นอนการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้